ตอนที่122สมรู้ร่วมคิดลหวานครุกตัวอยู่ในหอสมุดจนถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มจึงออกไปกินข้าวที่โรงอาหารนางชอาอาหารของโรงอาหารมื้อเที่ยงและมื้อเย็นที่สุดไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากรายการอาหารที่หลากหลายนางไม่ยอมให้ปากท้องของตัวเองต้องลำบากไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามและที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ร่างกายกำลังเจริญเติบโตนางพบว่าส่วนสูงของตัวเองนั้นเตี้ยที่สุดในห้องหกักหลังจากนี้ไม่สูงขึ้นอีกหลีหว่านคงยอมรับไม่ได้นางตั้งใจว่าในอนาคตจะเป็นสาวมาดนางพยาจะเตี้ยเกินไปไม่ได้เด็ดขาด หลังจากกินอิ่มแล้วนางก็เดินทอดน้องกลับหอพักทันทีที่ก้าวเท้าเข้าห้องมานางก็สัมผัสได้ว่าบรรยากาศภายในห้องดูไม่ค่อยปกติหลีหวานเงยหน้าขึ้นสังเกตสีหน้าของเพื่อนร่วมห้องทั้งสามคนดูแย่มากราวกับว่ามีเรื่องหน้ากลัวบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อคิดได้ดังนั้นหลีหวานจึงก้าวเท้าไปที่เตียงเตรียมจะนั่งลงทว่ามือของนางกลับสัมผัสได้ว่าฟูกที่นอนนั้นเปียกโชกนางจึงลองคำไปรอบๆเพือ่อกว้างขึ้นพบว่าที่นอนทั้งหลังเปียกไปเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คืนนี้เตียงหลง ในที่สุดหลี่หวานก็รู้แล้วว่าทำํำไมพวกนางถึงมีท่าทีผิดปกติดวงตาคมกริบตัวมองไปยังเพื่อนร่วมห้องทีละคนใครทําไม่มีใครพูดอะไรหลีหวานเน้นเสียงหนักขึ้นฉันถามว่าใครทําถ้าสารภาพออกมาตามตรงและบอกเหตุผลฉันจะไม่เอาเรื่องเสี่ยวหวานเธอเธอไปล่วงเกินใครเข้าหรือเปล่าชู้อย่าพูดนะเพื่อนร่วมห้องที่อยู่เตียงตรงข้ามกับหลี่หวานกําลังจะพูดแต่กลับถูกอีกคนห้ามไว้ ดูท่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับพวกนางทั้งสามคนขนาดนี้ยังไม่ได้พูดอะไรก็กลัวกันจนตัวสั่นขนาดนี้แล้วไม่เหมือนคนที่จะกล้าทําเรื่องชั่วร้ายแบบนี้หลหวันลดความดุดันในดวงตาลงพวกเธอไม่ต้องตอบอะไรฉันก็ได้แค่พยักหน้าหรือสายหน้าก็พอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเธอใช่ไหมทั้งสามคนรีพยักหน้าทันทีดีแล้วเขาตั้งใจทําใช่ไหมพยักหน้าอีกครั้งหลหวานเข้าใจแล้ว นางเดินออกไปข้างนอกทันทีเพื่อตามครูคุมหอมาอธิบายสถานการณ์เมื่อครูคุมหอเดินมาดูก็ขมวดคิ้วมุ่นทันทีอาจจะมีใครทำหกใส่โดยไม่ระวังหรือเปล่าเอาเป็นว่าคืนนี้เธอไปนอนเบียด ก, กับเพื่อนคนอื่นก่อนพรุ่งนี้เช้าแดดออกค่อยเอาผ้านวมออกไปตากมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไม่เห็นต้องทำเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้เลยหลี่หวานได้ยินดังนั้นก็อดสงสัยไม่ได้ว่าครูคุมหอกับคนที่ทำให้ที่นอนของนางเปียกนั้นเป็นพวกเดียวกันอาจารย์คะที่บอกว่าทำเป็นเรื่องใหญ่นี่หมายความว่ายังไง เครื่องนอนของฉันถูกคนตั้งใจทําให้เปียกอาจารย์เป็นครูคุมหอจะไม่จัดการเลยหรือคะกลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาของฉันไปเสียอย่างนั้นคนอื่นเขาไม่ได้ตั้งใจเธอจะมาเจ้าคิดเจ้าแค้นไปทําไมอีกอย่างต่อให้เขาตั้งใจทํามันก็อาจจะเป็นเพราะเธอไปล่วงเกินใครเขาเขา้าเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ควรจะเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมมีอะไรก็หัดหาสาเหตุจากตัวเองบ้างเธอดูสิทําไมเพื่อนคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นอะไรทําไมต้องเป็นเธอที่มีปัญหา แลจะถึงเวลาดับไฟแล้วทําตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยอย่าไปรบกวนการพักผ่อนของเพื่อนคนอื่นถ้าเธอไม่ทําตัวดีๆก็ใส่หัวออกไปนอนข้างนอกหลีหวานไม่พูดอะไรตอนนี้นางพูดอะไรไปก็ร้ประโยชน์ครูคุมหอคนนี้มีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดนางจ้องขเขม็งไปที่ครูคุมหออาจารย์คะอาจารย์จะไม่จัดการจริงๆใช่ไหมไม่จัดการครูคุมหอโบกมือไล่เตรียมจะเดินจากไปหลีหวานหัวเราะออกมาเบาๆ ดีใ น, นเมื่ออาจารย์ไม่จัดการฉันก็คงต้องไปหาหัวหน้าฝ่ายถ้าหัวหน้าฝ่ายไม่จัดการฉันก็จะไปหาอธิการบดีฉันไม่เชื่อหรอกว่าโรงเรียนใหญ่โตขนาดนี้จะไม่มีผู้ใหญ่คนไหนให้ความเป็นธรรมกับฉันได้เลยเธอนี่มันไม่จบไม่สิ้นจริงๆใช่ไหมดึกดื่นป่านนี้ผู้บริหารโรงเรียนเขาไม่ต้องพักผ่อนหรือไงถ้าทุกคนเป็นเหมือนเธอเรื่องที้ผาดิ๋วแค่นี้ก็วิ่งไปหาผู้บริหารผู้บริหารไม่ต้องเหนื่อยตายเลยหรือพอครูคุมหอได้ยินว่าหลีหวานจะไปหาผู้บริหารเพื่อขอความเป็นธรรมก็เริ่มร้อนรนขึ้นมาทันที แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดหากเรื่องนี้บานปลายขึ้นมาครูคุมหออย่างนางจะไม่ถูกหักเงินเดือนหรือไงหลีหวานคนนี้ดูแทาจะเป็นพวกหัวแข็งเสียด้วยเอละถ้าเธอไม่อยากไปรบกวนเพื่อนคนอื่นคืนนี้เธอมานอนกับฉันก็ได้แบบนี้พอใจหรือยังตอนนี้เครื่องนอนของเธอเปียกไปหมดแล้วจะมามัวเล่เบียหาคนรับผิดชอบตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรหลีหวานไม่มีอะไรจะพูดกับนางอีกหลีหวานก้าวเท้าเตรียมจะเดินออกไปครูคุมหอรีบขวางไว้ทันทีเธอจะทําอะไร ถ้าคืนนี้เธอเสนอหน้าออกไปหาหัวหน้าฝ่ายแล้วก็เชื่อไหมว่าพรุ่งนี้ฉันจะไล่เธอออกเพิ่งเปิดเธอมาหาวิทยาลัยเธอก็มาสร้างเรื่องวุ่นวายเสียแล้วนักเรียนแบบเธอโรงเรียนไหนก็ไม่กล้ารับหรอกเสียวานหรือว่าคืนนี้เธอมานอนเบียด ก, กับฉันก่อนไหมฉันตัวผอมนอนสองคนได้สบายสบายเลยใช่ใช่เตียงของฉันก็ได้นะเพื่อนร่วมห้องอีกสามคนต่างพากันสนับสนุนเพราะพวกนางไม่อยากให้เรื่องบานปลายเพิ่งเปิดเทอมก็ไปล่วงเกินครูคุมหอเสียแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลย หลีหวานยังอายุน้อยเกินไปจริงๆขอบใจพวกเธอมากแต่เรื่องนี้ฉันต้องทําความเข้าใจให้กระจ่างหลีหวานพูดทีและคําอย่างชัดเจนหลีกไปไม่หลีกครูคุมหอเป็นหญิงวัยกลางคนร่างกายค่อนข้างกํายำนางเพียงแค่ยืนขวางอยู่ตรงนั้นก็บังหลีหวานได้มิดหากวัดกันที่พลกระกำลังนางสามารถข่มหลีหวานได้สบายแต่หลีหวานไม่กลัว นางก็แค่ข่มขู่คนอื่นได้เท่านั้นแหละทำไมคะอาจารย์คิดจะลงไม้ลงมือกับฉันจริงๆหรือต่อให้ฉันลงมือกับเธอมันก็เป็นความผิดของเธอเองถ้าเธอเจ็บตัวตรงไหนขึ้นมาก็ถือว่าสมควรแล้วอาจารย์เป็นแค่ครูคุมหอพูดง่ายๆก็คือมีหน้าที่บริการนักเรียนไม่มีสิทธิ์มาพูดจาแบบนี้เหอยฉันจะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เธออยากลองดูไหมละ่ะหอพักหญิงเกิดอะไรขึ้นนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมยังไม่ดับไฟ ในขณะที่พูดหัวหน้าฝ่ายหอพักหญิงก็ก้าวเทาเ้าเข้ามาในห้องเมื่อสังเกตเห็นบรรยากาศที่ไม่ปกตินางก็ขมวดคิ้วมีเรื่องอะไรกันหัวหน้าฝ่ายคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือเตียงของหลีหวานบังเอิญเปียกน้ําฉันเลยคิดว่าคืนนี้ให้เธอนอนเบียดกับเพื่อนคนอื่นไปก่อนแต่เธอไม่ยอมฟังผลสุดท้ายเลยทําให้ทุกคนไม่ได้พักผ่อนแบบนี้ควรจะบันทึกความผิดของเธอคะครูคุมหอฟ้องกลับทันทีนางโยนความผิดทั้งหมดไปที่หลีหวานโดยตรงเป็นอย่างนั้นหรือ หัวหน้าฝ่ายมองสำรวจหลีวหวานไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันไม่ได้หรือไงไม่ใช่คะที่นางพูดมาไม่มีคำไหนถูกเลยหลือหวานทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งทว่าผลลัพธ์กลับเหนือความคาดหมายหัวหน้าฝ่ายกลับสมรู้ร่วมคิดเป็นพวกเดียวกับครูคุมหอทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างเป็นปีเป็นขุย อย่าคิดว่าเป็นช่วงย้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับเมืองแล้วจะวิเศษวิโสมาจากไหนการที่เธอรบกวนการพักผ่อนของเพื่อนคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้รีบนอนซุกหัวไปให้พ้นคืนนี้เสียพรุ่งนี้ค่อยเอาเครื่อนอนไปตากฉันขอเตือนเธอนะถ้าเธอยังไม่รู้จักความแบบนี้อีกพรุ่งนี้จะมีการประกาศตําหนิชื่อเธอทั่วโรงเรียนแน่ได้หลิวหวานไม่อยากพูดอะไรอีกต่อไปพูดไปก็เหมือนสีซอให้คอยฟังเสียเวลาเปล่าถ้าคืนนี้เรื่องยังไม่กระจ่างก็อย่าหวังว่าใครจะได้นอน นางยิงคงยืนยันคําเดิมเหมือนเมื่อครู่ได้ในเมื่อเธอไม่อยากนอนก็ใส่หัวออกไปนอนข้างนอกนูน่นหัวหน้าฝ่ายชี้ไปข้างนอกด้วยความโกรธจัดเด็กคนนี้มันร้นนักวันนี้ฉันต้องสั่งสอนเธอให้รู้สํานึกเสียบ้างว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรจะดื้อดึงขนาดนี้ดีฉันจะออกไปเดี๋วนี้หรือวันเลิกคิ้วขึ้นแล้วก้าวเท้าเดินออกไปทันทีอย่างไรก็ตามนางเชื่อว่าอีกไม่เกิน2ชั่วโมงคนพวกนี้จะต้องเป็นฝ่ายอ้อนวอนให้นางกลับเข้ามาเอง